บทอุเทศถ้าเอาแต่บทกายเวธนาจิตทร ม, มาส่วนบทอุเทศท่านพูดถึงกาย <c oughs>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 รับทานอาหารวันทีอิ่มเป็นปกติธรรมดารับทานไปจนอิ่มก็คืออิ่มในขนาดที่อิ่มเราใส่ไปเรื่อยตั้งแต่หนึ่งคำเริ่มอิ่มไปเรื่อยๆสองคำสามคำสี่คำสิบคำพวกเรารับทานกันก่อนันอกกี่คำถึงจะอิ่มเคยนับไหมรับเรารับทานจนอิ่มเพราะอิ่มแล้วมันใส่เข้าไปอีกไม่ได้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 ไปดูรากไม้ไผ่เราดูใครเคยดูรากไม้ไผ่ ย, ยงระย่างเกาะกันเต็มไปหมดรากต้นไม้ไม้ต้นไม้ที่เป็นฝอยฝอยเนี่ยไปดูรากดูคาเงี้ยรากต้นไม้มันยงระยางยงระย่างกันไปหมดคือทางคือช่องออกที่ใจตรงนี้มันจะออกออกมาออกาห า, ออกาหยื่นของมัน ใจมันเป็นวัตถุภายในเป็นวัตถุที่เรามองไม่เห็นเป็นนามเป็นนามใจนี่เป็นนามมันไม่ใช่วัตถุคือสิ่งของแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นนามคือมองไม่เห็นมีได่ชื่อมิได้อาการปรากฏเจ้าของเท่านั้นรับรู้รับทราบมิได้อาการเขามันอากการเขามันก็คือเห็นได้ยินได้รสได้กลิน่นได้สัมผัส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 ลอสังเกตสังการลองดูพิจารณาลองดูเพื่อให้ใจมันหยุดให้ใจมันอยู่ในเมื่อเราอัดเข้าไปเหมือนกระป๋อบริโภคอาหารอาหารของใจนั้นคือเราต้องบริกรับให้มันว่าซ้ําๆเหลี่ยมัก็อิ่มว่าซ้ําๆดูซ้ำๆพิจารณาซ้ำๆว่าซ้ําๆพุทโธพุทโธมีสติกํากับอยู่ เอาสติบังคับอยู่ให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเอาผู้รู้ของเรานี่แหละมาดำริคำว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธพเราบริกรรมไปมากๆเข้าเหมือนกับเราเอาอาหารเข้าปากเราเหนึ่งคำสองคำสามคำสิบคาบริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆมันอิ่มใจมันอิ่มเมื่อใจอิ่มแล้วเนี่ยเราไม่ต้องบริกรรมมันก็ไม่ไป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 พระพุทธเจ้าห้าร้อยพระองค์ห้าร้ยพระองค์ละหมื่นองค์ล้วนภาษารวมทั้งภาษาวกด้วยเลยผ่านพราะผ่านเสนด็จ <c> ต <oughs> ายพอดีตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุทธนั่นพุทธเจ้าพระพุทธทีปังกรทั้งกับพยากพรพยากรอัติตังอดีต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 รูปเสียงกิริรักโภคผลพร ธ, ธรรมรมณ์ออกทั้งหมดและความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขที่แสวงหาได้ง่ายเพียงแต่เรานั่งตั้งใจนั่งภาวนาใจสงบเท่านั้นะความสุขเกิดขึ้นแล้วเราไปแสวงหาความพอใจบางทีทั้งวันวั น, ท, ท, วน ท, ทั้งวันไม่เจอทั้งเดือนทั้งปีบางทีก็ไม่เจอเจอแต่ความยุ่งยากลาบากกับนู่นกับนี้กับงานกับการกับอะไรต่ออะไรสารพัด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 ในวิธีที่จะดับระงับก็ดับระงับด้วยวิธีวิธีนี้ด้วยอารมณ์มาพิจารณาลมกายเวทนาจิตธรรมลักษณะของมหาสิบฐานเพื่อเกิดความรู้เห็นแจ่มแจ้งเพื่อจะได้เบื่อหน่ายคลายจางปองปลดปล่อยทิ้งพระพุทธเจ้าภาษาบกพระอริยสาวกท่านปล่อยไปหมดท่านทิ้งไปหมดแลวท่านเข้าถึงบรมสุขกหมด